นะครับก็ๆเช่นบันเทิงให้เค้าได้คลายเค้าได้ลดงั้น ไม่ 2 ย, ง, 2 คำสัญญาคําชี้แจงของพลเอก 9 ปีที่ผ่านมาให้ได้ ทัพภาคที่ 20 จังหวัด 95 สถานีขอเชิญฟังรายการอีสานม้วน จะ Just wait, สำหรับการจัดตั้งศูนย์ปรองดองเพื่อการปฏิรูปนะครับหรือสมหมายรัชย์ 9 ปีที่ 22 ให้เราพูด เป็นผู้ให้ข้อมูลโดยเอาข้อมูลจากทุก กระนั้นทุกผมก็เชิญชวนทุกฝ่าย ที่เข้าใจกันแล้วทําได้แล้วก็ไปๆเช่นบันเทิง ให้เขาได้คลี่คลายเขาได้ลดความนะ 2 โน่นเช่นมา ทำให้ถูกต้อง 2 ติชาตและ สวัสดีค่ะคุณ 2 และสถานี 20 จังหวัดนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับ ของจังหวัดยโสธรโดย สวท. ยโสธรนะคะโดยความร่วม 20 จังหวัดค่ะ 20 วันจันทร์ที่ 28 กรกดาคมการประชาสัมพันธ์จังหวัดผม จัดพิธีการนะครับทําบุญสวดนพเคราะห์ <สะ S 1> เอ่อรัชกาลที่ 4 ได้มีการ 4 ถึง 27 องค์ท่านได้ศึกษาอย่างละเอียด ทรง 62 พรรษาที่พระองค์ท่านได้ทรงงาน พระ 28 พฤศจิกายน 2543 43 ครับสมเด็จพระนางเจ้า อำเภอเมืองยโสธรครับก็อยากกราบเรียนพี่ จะกระทุ่มน้ําทีเดียวครับพี่น้องที่น่ะเอ่อนาปี ปัญหาเรื่องอุทกภัยซ้ำซากนี่ครับ ตรงนั้นจะมีหนองหนองเค้าเรียกหนอง<นะ> รวมทั้งฟื้นฟูสภาพป่าโดย แล้ว 2543 จน 2500 45 46 เนี่ยนะครับก็ได้มี ทางกรมป่าไม้ก็พยายามเข้าไปปลูกต้นถึง 600 3,600 ไร่เศษครับเป็นตั้งอยู่บนดอนเนิน ป่าอุดมสมบูรณ์มีต้นไม้ขึ้นอย่างชุ่มชื้นมีเหตุครับเนี่ยอุดมสมบูรณ์ครับอุดมสมบูรณ์ ซุปเปอร์มาร์เก็ตอะไรครับเวลาเราจะซื้อของซื้ออะไรแต่ ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ที่มีทั้ง มีมีมดแดงแล้วก็เราก็มีขายตลอดนะครับแดง อันนี้ก็ส่งขายกันไปเป็นของฝากนี้ก็ส่งขายกันไปเป็นเออ ได้เดินมาอย่างเต็มที่นะครับสําหรับเรื่อง มีวัดอยู่ 2, 2> แห่งครับวัดเจน้อย ก็ลงไปทําหลายๆเรื่องทีเดียว ไปทําในเรื่องอื่นนั่นแหละครับ ส่วนของพระมหากษัตริย์ไทยบูรพมหากษัตริย์ อภัสรมเดชอยุคัวเป็นบุคคลใสยลาภคุณอภัสรมเดชอยุคัวและก็ภายใต้พระบรมศาสดิศรัทธา เป็นวันมหามงคลครับเป็นวันพระ กระหมณ์แห่งองค์พระสยามเทวาธิราชตบรมเดชานุภาพแห่งพระ สถิตย์เป็นมิ่งขวัญของครับ ยินดีต่อพระองค์ท่านครับผมค่ะ 3 นะคะ 20 จังหวัดนะคะ 2 ค่ะ โดยเข้าไปที่ worldwideweb army2.mi.th นะโดยสวทอ 101 เป็นแม่ข่ายผลิตรายการ คุณสร้างมิตรผูกสัมพันธ์สวัสดีค่ะดอนทีเอสนะ 90.25 เมกะเฮิรตสวทนครพนมเอ่อนายเดประสิทธิ์ศรี 25 กรกฎาคม